7. หลักธรรมสาคัญในภาคปฏิบัติเพื่อ น, นักปฏิบัติหลายท่านปรารถกับผู้เขียนอยู่เสมอว่าผู้สนใจการปฏิบัติธรรมมักประสบความยุ่งยากในการแสวงหาสำนักปฏิบัติเพราะสำนักต่างๆมีอยู่มากทุกสำนักล้วนมีครูบาอาจารย์ที่น่าเคารพนับถือและต่างก็ประกาศจุดยืนว่า สำนักของตนสอนได้ตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งสิน้นเมื่อเป็นเช่นนี้จะทราบได้อย่างไรว่าสำนักใดสอนได้ถูกต้องบ้างผู้เขียนมักตอบว่าถ้าต้องการทราบว่าผู้ใดสอนได้ตรงตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้หรือไม่ก็ต้องศึกษาพระปริยัติธรรมเพราะพระปริยัติธรรมคือแหล่งรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีหลักฐานชาัดเจน และได้รับการรักษาสืบทอดกันมาเป็นอย่างดีนับตั้งแต่วันที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันทปริพพานพระธรรมมวินัยซึ่งได้รับการเก็บรักษาไว้ในรูปของพระปริยัติธรรมก็คือศาสดาของพวกเราชาวพุทธทั้งปวงเพื่อนนักปฏิบัติก็ยังปรารลบตอบไปว่าพระธรรมมวินัยมีอยู่มากกว่าจะศึกษาได้ทั่วถึงก็ต้องใช้เวลาหลายปี บางคนมีเวลาไม่พอหรือมีกำลังไม่พอที่จะศึกษาได้เป็นไปได้หรือไม่ที่ผู้เขียนจะสรุปย่อพระปรยิยัติสัทธรรมที่จำเป็นที่สุดที่ผู้ปฏิบัติควรจะทราบไว้แล้วนำมาเล่าสู่กันฟังนี้คือที่มาของบทความสี่เรื่องต่อไปนี้ได้แก่ 1. หลักธรรมสำคัญในภาคปฏิบัติ 2. แม่บทหลัก ของการปฏิบัติธรรม 3. การเจริญสติปัฏฐานและ 4. รูปนามที่จำเป็นต้องรู้จักในการประมวลธรรมทั้ง4ี่หัวข้อนี้ผู้เขียนได้ศึกษาข้อมูลจากพระไตรปิฎกและอัตถกาถารวมทั้งคำอธิบายธรรมคืออภิธรรมซึ่งปรากฏในคำภีอภิธรรมมัตสังคหะและวิสุทธิมักเป็นต้นทั้งนี้ ผู้เขียนต้องขอขอบคุณสำนักเรียนพระอภิธรรมหลายแห่งซึ่งผู้เขียนได้อาศัยคำบรรยายและตำรับตำราเป็นคู่มือในการศึกษาธรรมเหล่านี้ด้วยขอเชิญเพื่อนนักปฏิบัติที่สนใจอ่านพระปริยติสัตยธรรมที่จำเป็นสำหรับนักปฏิบัติได้แล้วโดยเริ่มจากเรื่องหลักธรรมสำคัญในภาคปฏิบัติส่วนผู้ที่ไม่สนใจและเกรงความสับสน จะข้ามบทความที่อ่านยากเหล่านี้ไปก่อนก็ได้เมื่อได้ปฏิบัติจนบังเกิดผลเป็นที่น่าพอใจแล้วจึงค่อยย้อนมาศึกษาพระปริยัติธรรมเพื่อใช้เป็นเครื่องตรวจสอบผลการปฏิบัติของตนต่อไป 1. แม่บทหลักของการปฏิบัติธรรมท่านพระสารีบุตรได้กล่าวว่ารอยเท้าเหล่าใดเหล่าหนึง่งแห่งสัตว์ทั้งหลาย ผู้เที่ยวไปบนแผ่นดินรอยเท้าเหล่านั้นทั้งหมดย่อมถึงการประชุมลงในรอยเท้าช้างแม่ฉันใดดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายกุศลธรรมเหล่าใดเหล่าหนึง่งกุศลธรรมเหล่านั้นทั้งหมดย่อมถึงการสงเคราะห์เข้าในอริยสัตสี่ฉันนั้นเห็นเหมือนกันแลจากมหาหัตถิปะโทรปรมสูตร มัชจิมาิกายมูลปัญ น, นาตพระสุตันตปิฎกเล่มสี่พระไตรปิฎกเล่มส2สองหมายความว่ากุศลธรรมทั้งหลายจะต้องอยู่ในขอบเขตของหลักธรรมเรื่องอริยสัจสีจะออกนอกขอบเขตนี้ไม่ได้เลยแม้การปฏิบัติธรรมอันเป็นการเจริญกุศลธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องศีลสมาธิ หรือปัญญาก็ต้องอยู่ในขอบเขตนี้เช่นกันอริยสัจคือตัวความจริงสูงสุดของพระอริยเจ้าส่วนการปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าถึงความจริงสูงสุดนี้มีหลักธรรมสาคัญคือกิจในอริยสัจซึ่งหากดำเนินตามกิจในอริยสัจแล้วย่อมเข้าถึงอริยสัจหรือเข้าถึงธรรมนั่นเองในทางตรงข้าม หากเราปฏิบัติธรรมออกนอกแนวทางของกิจในอริยสัจเราจะเข้าถึงอริยสัจหรือธรรมไม่ได้เลยหากเปรียบเทียบในทางโลกแล้วกิจในอริยสัจก็คือรัฐธรรมนูญซึ่งกฎหมายอื่นจะขัดแย้งไม่ได้หมายความว่าแนวทางปฏิบัติใดที่ขัดกับคำสอนเรื่องกิจในอริยสัจแนวทางนั้นย่อมไม่ใช่แนวทางการปฏิบัติธรรม เพื่อเกิดปัญญาพ้นทุกข์ในทางพระพุทธศาสนาอันหนึ่งกิจในอริยสัจนี้เป็นหลักธรรมสำคัญยิ่งยวดถึงขนาดที่พระพุทธเจ้าทรงออกพระโอษฐว่าจะไม่ทรงปฏิญาณพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าหากไม่ทรงรอบรู้ใน 1. อริยสัจส์่ประการ 2. กิจในอริยสัจส์4ประกา ร, ก ร, ร, ร, การและสา ได้ทรงดำเนินกิจในอริยสัจส์4ประการเสร็จสิ้นแล้วดังที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ญาณทัศนคือความรู้ความเห็นตามความเป็นจริงมีวนรอบสาอย่างนี้มีอาการส2องในอริยสัจส์่เหล่านี้ของเรายังไม่บริสุทธิ์เพียงใดเราก็ยังไม่ปฏิญาณตนว่า เป็นผู้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาในโลกเพียงนั้นก็เมื่อใดญาณทัศนคือความรู้ความเห็นตามความเป็นจริงมีวนรอบสามอย่างนี้มีอาการส2องในอริยสัจว์่เหล่านี้ของเราบริสุทธิ์ดีแล้วเมื่อนั้นเราจึงปฏิญาณตนว่าเป็นผู้ตรัสรู้ อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกจากธรรมจักรกปะวัตนวัคที่สองตถาคตะสูตรที่1สังยุตตนิกายมหาวาระพระสุตตันตปิฎกเล่ม11พระไตรปิฎกเล่ม19กิจในอริยสัจส์4ประการคือ 1. ทุกควรรู้หรือปริญญากิจคือควรศึกษาให้เข้าใจชัด ตามสภาพความเป็นจริง 2. สมุทัยควรละหรือปหานากิจคือกำจัดทำให้หมดสิ้นไป 3. นิโรธควรทำให้แจ้งหรือสัจจกิริยาจิตคือเข้าถึงหรือบรรลุและ 4. มักควรทำให้เจริญหรือภาวนากิจ คือลงมือปฏิบัติ 2. ขั้นตอนของการปฏิบัติธรรมภายใต้แม่บทหลักของการปฏิบัติธรรมดังกล่าวท่านพระสารีบุตรได้แสดงขั้นตอนของการปฏิบัติธรรมไว้เจ็ดขั้นตอนคือธรรมชื่อวิสุทธิเจ็ ปรากฏในบทสนทนาอันเรื่องชื่อกับท่านพระปุณณมนานิบุตรคือในรัฐวินีตสูตรมัชิมุมนิกายมูลปัญ น, นาตพระสุตตันตปิฎกเล่มสี่พระไตรปิฎกเล่มส2สองสาระโดยสรุปของวิสูิ์ที่7ก็คือไตรสิกขาหรือเรื่องศีลสมาธิและปัญญานั่นเองเพียงแต่ซอยขั้นตอนของปัญญาสิกขา ให้ละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้นว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้าง 3. วิธีปฏิบัติในขั้นการเจริญปัญญาพระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องการเจริญสติปัฏฐานไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรทีขณิกายมหาวกักพระสุตันตปิฎกเล่มสองพระไตรปิฎกเล่มสิบพัฒนาการทางด้านปัญญา เมื่อจเจริญสติปัฏฐานอย่างถูกต้องแล้วจิตจะเกิดพัฒนาการทางด้านปัญญาคือเกิดความรู้ถูกเข้าใจถูกจนถึงขั้นการประหารกิเลสไปตามลำดับปรากฏในหลักธรรมเรื่องโสรสยานโสรสยานเป็นคำสอนในชั้นหลังพุทธกาลค่อนข้างมากและมีส่วนที่แตกต่างจากคำสอนในชั้นพระไตรปิฎก ปรากฏในคำภีปฏิสามพิธามักขุตตกาิกายพระสุตันตะปิดกเล่ม23พระไตรปิดกเล่ม31อยู่บ้างจึงควรศึกษาด้วยวิจารณญาณให้มากสักหน่อยจากการสำรวจหลักธรรมสำคัญในภาคปฏิบัติข้างต้นผู้เขียนขอเสนอให้เพื่อนนักปฏิบัติเลือกศึกษาเฉพาะหลักธรรมที่จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อการปฏิบัติเท่านั้นประกอบด้วย 1. ห, หลักของการปฏิบัติธรรมได้แก่หลักธรรมเรื่องกิจในอริยสัจและ 2. วิธีการปฏิบัติธรรมได้แก่หลักธรรมเรื่องสติปัฏฐานซึ่งทั้งสองเรื่องนี้เป็นคำสอนตรงของพระพุทธเจ้าสำหรับเรื่องขั้นตอนของการปฏิบัติและพัฒนาการทางด้านปัญญานั้น จะเว้นไว้ศึกษาในภายหลังก็พอได้เพราะถ้ารู้หลักของการปฏิบัติธรรมและวิธีการปฏิบัติธรรมชัดเจนก็พอจะเริ่มลงมือปฏิบัติได้แล้วอย่างไรก็ตามก่อนที่จะลงมือปฏิบัติเราจําเป็นต้องทําความเข้าใจเพิ่มเติมในเรื่อง 3. รูปนามที่นักปฏิบัติจําเป็นต้องทราบเพราะรูปนามนี้แหละคือทุก ที่จะต้องรู้ตามกิจในอริยสัจและคืออารมณ์วิปัสสนาในสติปัฏฐานด้วยเพียงเข้าใจธรรมสามเรื่องนี้ก็สามารถลงมือปฏิบัติธรรมอย่างไม่หลงทางได้แล้ว